ของพวกเรานี่เป็นเหมือนลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลนี้จะมีทีมอยู่สองทีมแย่งเตะลูกฟุตบอลกันเลวลาเราไปดูฟุตบอลในสนามนี้จะมีทีมแดงกับทีมน้ำเงินสองทีมจะเตะไปคนละทิศคนละทางกันทีมหนึ่งก็จะเตะไปทิศ ท, ทางหนึ่ง อีกทีมหนึ่งก็จะเตะไปอีกทิศทางหนึ่งใจของพวกเราก็มีทีมอยู่สองทีมที่มาคอยเตะใจเราเราเรียกทีมสองทีมนี้ว่าทีมบาปกับทีมบุญทีมบุญก็จะเตะไปทางหนึ่งทีมบาปก็จะเตะไปอีกทางหนึ่ง ทางของบุญเราก็เรียกว่าสวรรค์ประตูของทีมของบุญก็คือสวรรค์พอเตะเข้าประตูปั๊บก็ได้เข้าสวรรค์ไปส่วนทีมของบาปก็จะเตะให้เข้าไปในประตูของทีมของบาปก็คือพอเข้าประตูก็จะเข้าไปในอบายทําบาปแล้วก็จะไปอบาย ใจของพวกเรานี้มีทีมอยู่สองทีมที่คอยที่จะเตะลูกฟุตบอลคือใจนี้ให้ไปในทิศทางของบุญหรือทิศทางของบาปถ้าทำบาปใจก็จะไปในทิศทางของบาปประตูของบาปก็คืออาบาย ส่วนบุญนี้ก็จะเตะไปในทิศทางของบุญถ้าเข้าประตูของบุญก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นเทพมีสวรรค์ชั้นพรหมพอเข้าประตูแล้วทำแหวนขงลูกฟุตบอลเขาก็เอาลูกฟุตบอลมาตั้งกลางสนามใหม่มาเตะใหม่ไม่ว่าจะไปเข้าประตู ของฝ่ายใดก็ตามพ อ, อเข้าแล้วเขาก็จะเอาออกมาจากประตูมาตั้งที่กลางสนามแล้วก็มาเตะกันใหม่ใจของเราก็เหมือนกันพอเข้าไปในสวรรค์หรือเข้าไปในอาวายัยเสจเดี๋ยวเขาก็ออกมาตั้งอยู่ที่กลางสนามใหม่กลางสนามของใจคืออะไร กลางสนามของใจก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นช่วงที่เขาเอาลูกฟุตบอลไปไว้ที่กลางสนามพอลูกฟุตบอลอยู่กลางสนามเดี๋ยวนักฟุตบอลก็จะมาย่างเตะกันอีกแต่เวลาที่ลูกฟุตบอลเข้าไปในประตูแล้วไม่มีใครไปแย่างเตะลูกฟุตบอลเลย เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เวลาที่เราเป็นมนุษย์นี่เป็นเหมือนตอนที่ลูกฟุตบอลอยู่กลางสนามก็จะมีทีมสองทีมมาแย่งกันเตะลูกฟุตบอลนั่ น, นี้เตะให้ไปทางของที่เขาต้องการให้ไปพอเข้าประตูเขาก็หยุดเตะกันไม่มีลูกฟุตบอลให้เตะ ต้องรอเอาลูกฟุตบอลออกจากประตูก่อนแล้วมาตั้งอยู่ที่กลางสนามใหม่แล้วก็แย่งกันเตะกันใหม่ใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเหมือนเวลาที่เขาเอาลูกฟุตบอลมาไว้ที่กลางสนามแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมสองทีมแย่งกันเตะเตะกันไปเตะกันมาแล้วแต่ใครจะ แพ้ใครจะชน ะ, อะพอทีมหนึ่งชนะเตะลูกเข้าประตูไปอก็หยุดเตะกันร อ, อให้เอาลูกออกมาตั้งกลามสนามใหม่แล้วก็ค่อยมาเตะกันใหม่ออตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนตอนที่ลูกฟุตบอลอยู่กลางสนามะจะมีทีมสองทีมมาย่างกันเต ะ, ะทีมบุญกับทีมบาป ทีมบุญก็จะพาลูกฟุตบอลให้เข้าไปในประตูของทีมของของทีมบุญคือสวรรค์ส่วนทีมบาปก็จะเตะลูกฟุตบอลให้เข้าไปในประตูของทีมบาปก็เรียกว่าอาบายพอเข้าประตูปั๊บก็จบหยุดก็คือตอนที่เราตายนย ตอนที่เราตายเราก็เข้าไปในประตูบุญหรือประตูบาปถ้าบุญเป็นผู้ชนะบุญก็เตะบุญเตะใจเราเข้าไปในสวรรค์ถ้าบาปชนะบาปก็จะเตะใจเราเข้าไปในอบายแล้วพอเขาเอาพอเขาเอาลุกพุทธออกม า, กาไว้กลางสนามใหม่เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาให้เขาเตะกันใหม่นี่แหละคือใจของพวกเราเป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่จะมีทีมสองทีมมาคอยแย่งเตะเวลาที่อยู่ในกลางสนามฟุตบอลแล้วเวลาเข้าประตูเขาก็หยุดเตะกันชั่วคราวรอให้เอาลูกฟุตบอลมาตั้งกลางสนามใหม่แล้วก็มาแย่งเตะกันใหม่ใจเราก็เป็นอย่างนี้ ใจเราตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นตอนที่เราเอาลูกฟุตบอลมาไว้ที่กลางสนามนะพอเราไว้ที่กลางสนามปั๊บเดี๋ยวบุญกับบาปก็จะมาแย่งกันเตะเนี่ยพอเรามาเกิดปับป๊บเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มเติบโตขึ้นมาบุญกับบาปมันก็จะเริ่มมาแย่งกันเตะแล้วตั้งแต่เด็กนี่ก็เริ่มทําบาปกันแล้วเด็กเห็นอะไรชอบ อยากได้ก็ไปเอามาขโมยมาโดยไม่รู้ว่าขโมยมาต้องรอให้ผู้ใหญ่พ่อแม่บอกสอนบว่าอย่าไปเอาของของคนอื่นมาเป็นการทำบาปเด็กบางคนใจดีมีของเล่นเยอะก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนก็ได้ทำบุญบางทีเกิดมากับครอบครัวที่ มีเงนินมีทองซื้อของเล่นมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆก็มีเหลือเพื่อเห็นเพื่อนไม่มีของเล่นก็สงสารก็อยากให้เขามีของเล่นก็แบ่งให้เขาไปก็ได้ทำบุญนมนุษย์เรานี้ได้ทำบุญกันมาตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เด็กเลยถ้าเกิดมายากจน เห็นเพื่อนก็มีของเล่นเยอะตัวเองอยากเล่นไม่มีของเล่นบางทีก็ขโมยของเพื่อนมาเนี่ยก็ได้ทำบาปแล้วก็อาจจะทำบาปอย่างอื่นอีกบางทีเห็นมดเห็นแมลงเห็นตัวสัตว์เล็กตัวสัตว์น้อยก็เล่นกับมันฆ่ามันสนุกเด็กเห็นเวลาทำอะไรทำให้ คนอื่นก็เสียหายเดือดร้อนกับคิดว่าสนุกนะก็จะทำบาปกันแต่เด็กบางคนมีพ่อมีแม่คอยสอนคอยบอกว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่ทำบาปแล้วจิตใจของเด็กบางคนก็อาจจะมีบุญอยู่ในใจมีความคิดที่ดีอยู่ในใจไม่ชอบทำบาปก็มี เด็กที่ชอบทำบาปก็มีใจที่ชอบทำบาปเพราะในอดีตเคยทาบาปมาติดเป็นนิสัยใจที่ชอบทำบุญก็เป็นใจที่ในอดีตเคยทำบุญมาเป็นนิสัยพอมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แต่ใจก็เป็นใจอันเก่ามีนิสัยอันเก่านิสัยชอบทาบุญก็ติดตัวมานิสัยชอบทำบาปก็ติดตัวมา เราจึงมีคนไม่เหมือนกันในโลกนี้คนที่ใจบุญก็มีคนที่ใจบาปก็มีเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วนิสัยก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนิสัยนี้อยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปใจก็อนิสัยไปด้วยนิสัยดีนิสัยไม่ดีใจบุญใจบาป นี่หละคือใจของพวกเราเป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่จะต้องถูกบุญหรือบาปมาคอยเตะอยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นิสัยเดิมถ้ามีนิสัยเดิมอมีนิสัยชอบทําบุญก็จะมาทําบุญถ้ามีนิสัยชอบทําบาปก็จะไปทําบาป อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ใจทำบุญหรือทำบาปก็คือคนที่เราอยู่ด้วยพ่อแม่ที่เราอยู่ด้วยถ้าเราไปอยู่กับพ่อแม่ที่ใจบาปพ่อแม่ก็จะสอนให้ลูกทำบาปสอนให้ลูกไปขโมยของอยู่กับพวกโจรอยู่พวกโจรเขาก็วิหาวิธีอาชีพเลี้ยงทีพเขาก็คือการขโมย บางครอบครัวก็ทำอาชีพฆ่าสัตว์เป็นชาวประมงฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายพอไปเกิดในครอบครัวนั้นก็ถูกเขาสอนให้ทำตามพ่อแม่มีอาชีพอะไรก็จะสอนให้ลูกทำอาชีพอย่างนั้นแต่ลูกบางคนถ้าไม่ชอบอาชีพแบบนั้นพอโตขึ้นเขาก็ไม่ทำก็มี เขาไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เพื่อที่จะได้ไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเพราะถ้าใจของเขาไม่ชอบทําบาปเขาก็จะไม่อยากจะทําบาปแต่ตอนที่อยู่ตอนที่เป็นเด็กต้องทําก็ต้องก็ทําไปตามความถูกบังคับเหตุการณ์บังคับให้ทําไปแต่พอเขาโตขึ้น อ, อตอนนี้ดับแล้ว ทานตัวมาแชวหมดแรงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีคนมาจัดการให้พนะอถึงแม้ครอบครัวจะทำบาปนะแต่ใจไม่ชอบทำบาปนะพอโตขึ้นไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็เลิกทำบาปนะแต่ทางตรงกันข้ามครอบครัว คนบางคนมาเกิดในครอบครัวที่ใจบุญแต่ตัวเองนี้มีใจบาปตอนที่อยู่กับครอบครัวก็ทําบุญกับครอบครัวพ่อแม่พาไปวัดไปไปใส่บาตรไปทําอะไรก็ทําตามพ่อแม่แต่พอโตขึ้นก็ไม่เข้าวัดก็มเีเลือกเข้าวัดไปทําบาป ชอบกินเหล้าเมายาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวชอบความเกลียดค้านอันนี้เป็นนิสัยเดิมของใจของแต่ละคนที่เป็นมาแต่เป็นมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่สามารถเปลี่ยนได้จะต้องปิดแต่ผู้ที่จะต้องเปลี่ยนต้องเป็นตัวเองคือเช่น ถ้าเรามีนิสัยทำบาปแล้วเราเห็นว่าทำบาปนี้มันไม่ดีหรือเราไปเจอคนที่เขาสอนมาสอนเราบอกว่าทำบาปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาถ้าไม่ทำบาปแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดถ้าฟังแล้วเข้าใจเห็นภาพ เห็นว่าทำบาปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปติดคุกติดตารางไปมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้ถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่มีเรื่องมีราวก็อาจจะพยายามเปลี่ยนนิสัยของตนทุกครั้งที่จะทำบาปก็นึกถึงภาพนึกถึงผลที่จะเกิดจากการทำบาไปไม่เอาไว้เดี๋ยวไปติดคุกหรืออาจจะถูก ถ้ามีเงะมีตำแหน่งมีอะไรก็อาจจะถูกลดนะถ้าไปทำผิดทำเสียหายร้ายแรงก็จะถูกเคาะตดก็อาจจะพยายามฝืดดิสฐาเดิมต่อไปก็อาจจะไม่กล้าทำบาปก็ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าถ้าชอบทำบุญมาก่อนแต่บางทเาีเกิดความโลภเกิดความอยาก ได้อะไรที่ไม่สามารถที่จะไปทำไปหาได้โดยไม่วิธีไม่ทำบาปก็อาจจะคิดทำบาปขึ้นมาก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้คนที่มีนิสัยบุญหรือมีนิสัยบาปนี่เปลี่ยนได้อย่างองคุลิมานี่จะว่ามีนิสัยบุญก็ไม่เชิงแต่เป็น เป็นถูกหลอกให้ไปทำบาปพอไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทำบาปไม่ไม่ใช่เป็นการกระทําที่ดีไม่เป็นคุณเป็นโทษพอเข้าใจก็เลยเลิกฆ่าคนแล้วกลับมาค่ากิเลสแทนก็เปลี่ยนนิสัยได้ฉะนั้นข้ดาวไม่ใช่ว่าถ้ามีนิสยัย ชอบทำบาปแล้วจะเลิกไม่ได้เปลี่ยนได้ก่อนที่มีนิสัยชอบทำบุญก็อาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปทำบาปได้วิธีที่จะทำให้มีนิสัยที่ไม่เปลี่ยนเลือมีนิสัยที่จะให้เป็นนิสัยไปในทางที่ดีก็ต้องมีธรรมะนั่นนะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุญกับเรื่องบาป ว่าทําแล้วมีผลอย่างไรต่อจิตใจนการที่จะมีธรรมะก็ต้องมีคนคนที่รู้ธรรมะมาสอ น, นคนที่รู้ธรรมะก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปที่มีผลกระทบต่อจิตใจของของพวกเราถ้าเรา ทำบุญเราก็จะได้ผลดีคือจิตใจเราจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายถ้าเราทำบาปจิตใจเราก็จะร้อนจิตใจเราก็จะทุกข์นี่นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจถ้าเราไม่มีคนสอนเราอาจจะเข้าใจผิดเร า, า จ, จะคิดว่าทำบุญแล้วจะทำให้เรารวย จะทำให้เราได้ยศได้ตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นผลของบุญแต่อาจจะเป็นผลพลอยได้คนที่ทำดีก็อาจจะร่ารวยก็ได้หรือไม่รวยก็ได้บางคนทำดีไม่รวยบางคนทำดีแล้วรวยบางคนทำดีแล้วเจริญในยศในตำแหน่งบางคนก็ไม่เจริญในยศในตำแหน่ง เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการทำบุญเป็นผลพลอยได้บางทีทําความดีแต่ไม่มีใครเขารู้เขาก็ไม่มีใครมาให้รางวัลเราหรือทําดีคนรู้คนที่จะให้รางวัลเราเป็นคนไม่ชอบขี่หน้าเราเขาก็อาจจะไม่ให้รางวัลเราอยู่ดีแทนนี่ไม่ใช่เป็นผลของ ของบุญหรือผลของการทําความดีนการทําความดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยแต่เจริญทางจิตใจถ้าเรืงเจริญทางสวรรค์หรือทางนรกเนี่ยนี่คือผลของความเจริญท้องทางจิตใจทําบุญแล้วจะไปสวรรค์กันทําบาปแล้วจะไปนรกไปอบายกัน อย่างนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เป็นเหมือนลูกฟุตบอลถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกมาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้จักจิตใจของพวกเราเพราะเรามองไม่เห็นเราไม่มองมองไม่เห็นว่าจิตใจอยู่ตรงไหนมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรเรามองเห็นแต่ร่างกายของเราเราก็เลยคิดว่าตัวเรานี้เป็นร่างกาย แต่ความจริงร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเราร่างกายมันเป็นผู้รับใช้เราเรานี่แหละคือใจเราคือผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆและเป็นผู้รับรู้การกระทาของร่างกายต่างๆนี่แหละคือใจซึ่งเป็นคนละคนกับร่างกายเป็นเหมือนคนขี่ม้ากับมา้าม้านี่เป็นเหมือนร่างกาย คนขี่ม้านี่เป็นเหมือนใจม้าจะวิ่งไปทางไหนนี่อยู่ที่ใจเป็นคนขี่ม้าจะสั่งให้ม้าวิ่งไปบอกให้วิ่งไปทางซ้ายมันก็วิ่งไปทางซ้ายให้มันไปทางขวามันก็ไปทางขวาให้มันวิ่งช้าวิ่งเร็วให้มันกระโดดกระโจนมันก็ทาตามคนขี่มา้าเดี๋ยร่างกายก็เป็นเหมือนมา้าสนใจนี่ก็เป็นเหมือนคนขี่ร่างกาย เป็นคนสั่งให้ร่างกายยืนขึ้นสั่งให้เดินสั่งให้วิ่งสั่งให้ร้องเนี่ยเนี่ยนี่ก็ใจสั่งให้ร้องขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายอยู่ดีๆมันร้องขึ้นมาเองเนะใจเป็นคนสั่งใจกับร่างกายนี้มาพบกันตอนที่ออกมาจากสวรรค์หรือออกมาจากนารกเนี่ยเหมือนตอนที่เขาเอาลูกฟุตบอลออกมาจากประตู พารุ่ยยิงลูกฟุตบอลเข้าไปในประตูก็ไม่มีใครจะเตะลูกฟุตบอลได้พอเขาจะเตะลูกฟุตบอลเขาก็ลูกฟุตบอลมาไว้ที่กลางสนามใหม่ตอนที่ใจตอนที่ร่างกายตายไปก็เหมือนตอนที่ใจได้ถูกเตะเข้าไปในสวรรค์หรือถูกเตะเข้าไปในอบายนั่นเองพอออกมาจากเขาพอเขาเอาใจออกมาจากสวรรค์เอามาจากอบาย ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีอคนมาเตะฟุตบอลนี้ใหม่คนที่มาเตะฟุตบอลนี้ก็บุญหรือบาปก็คือความคิดในใจของพวกเราเนี่ยบางทีคิดทําบุญบางทีก็คิดทําบาปแล้วแต่ว่ามีอะไรมากระตุ้นน มีของเราชอบขึ้นมาแต่เราไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากได้ก็อาจจะไปคอยลักคอยขอโมยของที่เราอยากได้หรือว่าถ้าเรามีของเยอะเราเห็นคนที่คนอื่นเขาไม่มีของก็อยากจะแบ่งให้เขาเราก็ได้ทำบุญเนี่ยบุญกับบาปมันอยู่ในใจของเรามันติดมากับใจของเรา ถ้าเรามาจากนรกนี่มาจากอบายนี้ส่วนใหญ่จะ เ, เราบาปติดมาด้วยถ้าเรามาจากสวรรค์นี้เราจะเอาบุญติดมาด้วยเพราะนิสัยมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนิสัยมันไม่ได้ตายไปกับการไปเกิดในสวรรค์หรือการไปเกิดในอบายนิสัยทำบุญก็ยังติดอยู่กับใจเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยทำบา เวลากลับมาจากนรกจากอบายก็ยังติดมาเราจึงมีคนดีคนไม่ดีปนกันไปเพราะคนที่มาเกิดในโลกนี้มันมาจากทั้งสองสองที่มาจากสวรรค์ก็มีมาจากนรกก็มีพวกที่มาจากนรกก็เหมือนพวกที่ติดคุกนี่ยะพอติดคุกพอปล่อยออกมาเดี๋ยวก็ ก, กลับไปทําทําผิดกฎหมายอีก เพรานิสัยมันมันมันต้องทำอย่างนั้น mm hmm. มันทำงานไม่เป็นขี้เกียจทางานไม่ชอบทำงานหาเงินก็ชอบหาเงินแบบง่ายๆวิธีง่ายก็ทำผิดกฎหมายทำบาปฆายาเสพติดรือไปรักขโมยไปปล้นมันถูกพอปล่อยออกมาเดี๋ยวก็กลับไปเพราะมันก็ติดนิสัยเดิมกลับมานอกจากมีจิตสำนึก มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เดี๋ยวกูต้องกลับไปอีกนะก็อาจจะไม่อยากจะกลับไปก็อาจจะเลิกพยายามที่จะเลิกถ้าจะเลิกนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องไปมีเหตุการณ์ที่ดีคือได้งานทำมีรายได้พอเพียงก็อาจจะไม่มีอะไรมาบีบบังคับให้ไปทำบาปหรือไปอยู่กับคนฉลาดคนดีที่จะคอยสอนคอยเตือนคอยห้ามคอยบอก อันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนทิสายได้ น, นี่คือเรื่องของใจของโลกเราที่เป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่จะถูกทีมฟุตบอลนี้คอยเตะอยู่เรื่อยๆเงินก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ต้องการให้คนเตะลูกฟุตบอลเราจะทำไงเราก็อยากลูกฟุตบอลลงสนามสลยเห็นไห เวลามีแข่งฟุตบอลแล้วไม่มีลูกฟุตบอลนี่ก็จะเตะอะไร <c oughs> นะฟุตบอลก็ไม่เตะนะถ้าไม่มีลูกฟุตบอลให้เตะเ <c oughs> นี่ยพระพุทธเจ้าฉลาดพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้บุญกับบาปเตะใจเราไปนรกหรือไปสวรรค์เราก็เอาลูกฟุตบอลออกจากสนามเลยสนามที่ที่ใจเราอยู่นี่เราเรียกว่าอะไรเราเรียกสังสารวัตร เหมือนอสนามฟุตบอลก็มีชื่อใช่ไหมสนามฟุตบอลของฝรั่งเศสเขาก็มีชื่อของอังกฤษก็มีชื่อออถ้าเราไม่อยากจะให้นักฟุตบอลเตะฟุตบอลเราก็หยาาฟุตบอลไปที่สนามถ้าในสนามมีแต่นักฟุตบอลไม่มีลูกฟุตบอลจะมีการเตะได้หรือเปล่าก็ไม่มีการเตะฉันใดพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราไม่ต้องการให้ใจของเราถูกบุญหรือบาปคอยเตะ ก็เอาใจเราออกจากสนามอย่าไปอยู่ในสนามอย่าเข้าไปอยู่ในสนามเตะอย่าไปอยู่ในสังสารวัฏ ส, สนามของใจสนามฟุตบอลของใจก็คือสังสารวัฏเนี่ยคือไตรภพบเนี่ยมีสามภพบกามภพบรูปภพบและอรูปภพบกามภพบก็คือภพบของผู้ที่เสพกามอย่างมนุษย์เทวดา พวกเปรตพวกสัตว์ในราชานี้เป็นพวกเสพกามทั้งนั้นจะต้องอยู่ในสนามนี้อยู่ในสนามของกามะพกอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่เลิกเสพกามเป็นพวกที่เสพความสงบเรียกว่าพวกนักบวชพวกนักบวชนี่เขาจะไม่หาความสุขจากร่างกายเขาไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเขาไปถือศีลแล้วก็นั่งสมาธิ เขาก็จะได้รูปประพบกับอรูปประพบเป็นเป็นสนามของเขาแต่ก็เหมือนกันสนามทั้งสามสนามนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่การเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะให้บุญหรือบาปมาคอยเตะก็ต้องอย่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่ามาเกิดอยู่ในอย่าไม่อยู่ในใต้ภพ อย่ามาอยู่ในสังสารวัตรวิธีที่จะเอาลูกฟุตบอลออกจากสังสารวัตก็คือต้องดึงเอาตัวที่คอยดึงลูกฟุตบอลให้เข้ามาอยู่ในสังสารวัตเนี่ยตัวที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดในตายพบก็คือความอยากที่จะมาเกิดในสามพบนี่เองกามาตนะหาก็คือความอยากมาเกิดในกามาพบ ภาวะตันหาก็คือการอยากจะไปเกิดในรูปภพวิภาวะตันหาก็คือความอยากที่จะไปเกิดในอรูปภพนี้เองถ้าสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ใจก็ไม่ต้องไปเกิดในตายภพเพราะไม่เกิดในตายภพก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาถูกทีมฟุตบอลมาคอยเตะใจ ให้ไปสวรรค์ให้ไปนรกกันนี่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าที่รู้เรื่องใจของพวกเราแล้วก็รู้วิธีที่จะทำให้ใจเรานี้ปลอดภัยปลอดภัยจากบาปปลอดภัยจากบุญปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องเอาใจเราออกจากสังสารวัฏให้ได้ อย่าให้ใจอยู่ในสังสารวัฏจะออกจากสังสารวัฏได้ต้องหยุดความอยากทั้งสามหยุดความอยากมาเกิดในกามมาภพหยุดความอยากมาเกิดในรูปภพหยุดความอยากมาเกิดในอรูปภพคนที่เคยมีความสุขจากกามมพภพก็อยากจะกลับมาเกิดในกามมพภพคนที่ได้ความสุขจากรูปฌานก็อยากจะกลับมาเกิดในรูปภพ คนที่ได้ความสุขจากอารูปประชาญก็อยากจะกลับมาเกิดในอรูปฌะอรูปภพเนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเคยเสพกามก็จะไปเสพกามต่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพนคนที่เคยเสพรูปประชาญพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปบวชกันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันคนที่ เสบารูปประชาญก็จะก็ไปทำเหมือนกันทำเหมือนกับรูปประชานรูปประชาญกับรูปประชานนี่เป็นความสุขที่มากน้อยต่างกันรูปประชานนี้สุขน้อยกว่าอารูปประชาญจึงแบ่งเป็นสองภพแสงแบ่งเป็นรูปภพกับอารูปภพนี่แหละคือดวงใจของพวกเรา หรือจะเรียกว่าพวกเราเนี่ยตัวพวกเราเนี่แหละคือดวงใจคือดวงวิญญาณที่จะไปเกิดตามภพต่างๆที่เราชอบพวกเราถ้าชอบเสพกามก็มาเกิดเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วมาถูกบุญกับบาปเขีย่ยไปให้ไปบุไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าเราชอบอรูปประชาน เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปบวชกันแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิกันได้รูปประชานก็ได้ไปสู่รูปประพบคอยเข้าว่ารูปประชานได้ก็จะเข้าว่ารูปประชานต่อไปได้ก็จะกลับไปเกิดในอรูปภพเวลาที่ร่างกายตายไปแต่รูปภพทั้งสามนี้มันก็เสื่อมไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ <c oughs> ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรมชั้นรูปภพหรืออรูปภพเดี๋ยวมันก็หมดกำลังลงมันก็จะออกจากภพเหล่านั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปก็ไปเกิดในอบายก็อยู่ในการมาพบชั้นต่ำชั้นที่มีความทุกข์มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรก พอไปอยู่ในนั้นพอบาปที่ส่งไปให้ไปเกิดในอบายหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องถอนความอยากสามตัวความอยากเสพกามความอยากจะเสพรูปประชานความอยากจะเสพอารูปประชานถึงจะสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากสนามฟุตบอลได้ พอใจออกจากสนามฟุตบอลแล้วทีนี้ก็ปลอดภัยตั้งไว้ตรงข้างนอกสนามไม่มีใครไปเตะนะเห็น ไ, ไหมลูกฟุตบอลที่อยู่ในร้านไม่มีใครไปเตะนะเอาลูกฟุตบอลไปตั้งไว้ในร้านแล้วก็จะไม่มีใครไปเตะได้แต่ไม่อยากจะให้ใจเราต้องมาถูกบุญถูกบาปมาคอยเตะ คอยพาให้ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในอบายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เหมือนกับลูกฟุตบอลในสนามเนี่ยลูกเดียวเนี่ยแต่ก็เขาก็เอาเข้าประตูนี้เสร็จเขาเข้าออกมาไว้กลางสนามใหม่เข้าประตูนั้นเสร็จก็เอามาไว้กลางสนามใหม่แล้วก็ถูกพวกทีมสองทีมนี่ย่กันเตะกันอยู่นะนี่แหละคือเรื่องของจิตใจของพวกเราเหมือนกับลูกฟุตบอลดีๆนี่ ที่จะถูกทีมสองทีมใหญ่มาคอยเตะใบเตะมาถ้าเราไม่อยากจะให้ถูกใครเขาเตะลูกฟุตบอลเราก็เอาลูกฟุตบอลออกจากสนามไปการเอาลูกฟุตบอลออกจากสนามนี่ก็เป็นการดึงใจให้ออกจากตายออกจากสังสารวัฏ การที่จะดึงใจออกจากตายพบได้ก็ต้องมีเครื่องมือมีกำลังอยู่ดีๆจะหยุดความอยากทั้งสานี้มันหยุดไม่ได้จะหยุดความอยากทั้งสา ม, ม, ด ไ, มได้ดด น, นี้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือทานศีลภาวนาการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เครื่องมือนี้มีสองระดับระดับระดับผู้ฝึกหัดใหม่กับระดับผู้ที่เชี่ยวชาญมีสองระดับสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ต้องต้องใช้ระดับทานศีลภาวนาก่อนสําหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาผู้ที่เริ่มต้นก็คือพวกคารวะผู้ของเหลือนก็ต้องหัด ต้องใช้ทานศีลภาวนาแต่ผู้ที่เป็นนักบวชก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องใช้ทานเพราะว่าการไปบวชก็เป็นการสละเป็นการทำทานหมดหมดร้อยเปอร์เซ็นครบร้อยเปอร์เซ็นมีเงินทองเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นไปหมดเวลาไปบวชเวลาไปบวชไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองติดตัวไปแต่ถ้าตอนที่ยังไม่บวชยังต้องมีเงินทอง ไว้เลี้ยงชีพต้องมีเงินทองซื้อข้าวกินเองแต่ถ้าไปเป็นนักบวชไม่ต้องมีเงินทองไปซื้อข้าวกินไปบิณฑบาตแทนก็ไม่จาเป็นจะต้องมีเงินทองเมื่อไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องทำทานสำหรับคาลวาาที่ต้องทำทานเพราะว่านอกจากเอาเงินไปซื้อของจาเป็นแล้วยังไปซื้อไปซื้อของที่ไม่จำเป็น ไปสนับสนุนตัวที่จะดึงให้กลับมาเกิดในไตภพนั่นเองก็ใช้เงินตามความอยากต่างๆอยากดูหนังนี้ก็เหมือนกับเป็นการไปไปซื้อตั๋วให้กลับมาเกิดใหม่อยากไปเที่ยวอย่างนี้ก็ไปซื้อตั๋วให้กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับใหม่ต้องเลิกซื้อตั๋วเหล่านีเ้เลิกใช้เงินเหล่านี้ให้ให้เปลี่ยน ไปซื้อตั๋วที่พาให้ใจไปสวรรค์ไปไปนิพพานก็คือให้ถ้าอยากจะใช้เงินก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นออกมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงร่างกายเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติดึงใจให้ออกจากสังสารวัฏหยื่แล้วก็ถ้ามีเหลืออยากจะอยากจะไปใช้กับการ ซื้อตั๋วให้กลับมาเกิดคือใช้กับความอยากต่างๆก็เอาไปทำบุญแทนเอาไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปซื้อตัว๋วฮไม่ไปเพิ่มความอยากนั่นเองเพราะทุกครั้งที่เราใช้เงินตามความอยากความอยากมันจะเพิ่มมากขึ้นพอได้เที่ยววันนี้แล้วมันความอยากเที่ยวมันจะหายไปไหมไม่หายใช่ไหม มันกลับเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะไปไกลกว่าเดิมถ้าไปซื้ออะไรมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อมากกว่าเดิมถ้ามีเงินนะก็อยากจะใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะตอนที่ได้ซื้อมันรู้สึกมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวๆ เ, เป็นความสุขเหมือน ย, ยาเสพติดซื้อแล้วมันจะติดมันจะต้องคอยซื้ออยู่เรื่อย เมื่อต้องซื้ออยู่เรื่อยๆมันก็ต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆเมื่อต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องไปหาเงินมาใช้เมื่อไปหาเงินมาใช้มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาที่จะไปปฏิบัติทำขั้นสูงคือศีลสัพพาวนาได้ไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปดไม่ได้เพราะจะต้องคอยไปหาเงินมาซื้อของตามความอยากต่างๆ พระพุทเจ้าเลยบอกให้ต้องตัดวงจรอันนี้ตัดวงจรการใช้เงินตามความอยากมีเงินได้แต่มีเงินไว้สำหรับใช้ของจําเป็นอันนี้ไม่เป็นไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นความอยากมันจะไม่ติดซื้อเฉพาะเวลาที่ต้องซื้อเช่นอาหารหมดก็ซื้ออาหารมาเสื้อผ้าหมดเสื้อผ้าขาดไม่ใส่ไม่ได้ก็ซื้อมาใหม่แต่ไม่ใช่ซื้อเพราะอยากจะซื้อ มีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วยังอยากจะซื้อใหม่ก็ยังเป็นการตีตัวกลับมาเกิดอีกต้องซื้อเฉพาะความจำเป็นบังคับเท่านั้นถึงจะใช้เงนินถ้ามีเงินเหลือแล้วมันจะไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนมันจะได้หมดปัญหาไปถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวเห็นของรุ่นใหม่ๆออกมาเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นรถรุ่นใหม่เ ห, ห, ห็นอะไรใหม่ๆออกมา เดี๋ยวมันอดไม่ได้ถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋ายังนวิธีที่จะทําให้เราไม่ไปใช้เงินเพื่อความอยากก็อย่ามีเงินมากเกินไปมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วเราจะได้มีเวลาไป <c oughs> ไปปฏิบัติศีลกับภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาเองภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญา จะมีเวลาก็ต้องทำงานน้อยลงทำงานน้อยลงเพราะเราใช้เงินน้อยลงเมื่อเราใช้เงินน้อยลงเราก็มีเวลาที่เราจะได้ไปไปฝึกสมาธิไปถือศีลแปดไปฝึกปัญญาได้พอเราฝึกไปได้สักพักเราก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับมืออาชีพได้หรือผู้เชี่ยวชาญได้เราก็จะไปบวชได้เพราะเรา ไม่ต้องอาศัยเงินทองซื้อความสุขแล้วเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแทนพวกที่ไปบวชจริงๆนี่เขาไปบวชเพราะเขาสามารถใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเขาได้เป็นเครื่องมือกาจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเขาได้ พวกที่ยังไปไม่ได้ก็เพราะเขายังใช้เงินเป็นเครื่องมืออยู่ใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเขาใช้เงินทองเป็นเครื่องมือกำจัดความทุกข์ให้กับเขาเขาก็จะติดอยู่ในวงจรกับการหาเงินทองใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขเพื่อกำจัดความทุกข์แต่ถ้าเรา เชืพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดึงใจให้เราออกจากสนามสนามฟุตบอลถ้าอยากจะดึงใจออกจากสนามฟุตบอลนี้เราต้องเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกทํางานทําการเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามามาสร้างเครื่องมือที่จะดึงใจให้ออกจากสนามฟุตบอลออกจาก ไตพบนี้เอเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือศีลสมาธิปัญญาคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สบเจ็ดนี่เป็นศีลของผู้ที่จะไปปฏิบัติสมาธิและปัญญาได้ถ้ายังถือศีลห้านี้ยังไม่มีกําลังพอเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามให้ไปเที่ยวไม่ได้ห้ามให้ไปนอนกับแฟน ถ้าไปเที่ยวไปนอนกับแฟนก็จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิไม่มีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเอระพุธเจ้าเลยบอกต้องห้ามกิจกรรมทางทางกรรมทางตาหูจมูกเล่นกายห้ามนอนกับแฟนห้ามกินอาหารตามความอยากกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นกินแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ ห้ามเที่ยวห้ามไปดูหนังฟังเพลงห้ามไปตามแหล่งบันเทิงลงละครลงภาพยนตร์ไปพิจานาเลี้ยงต่างๆห้ามหมดห้ามแต่งตัวสวยงามเสียเวลาเอาเวลาไปแต่งตัวไปเที่ยวก็จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมห้ามนอนมากเกินไปห้ามนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเพราะมันจะทำให้นอนสบาย พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะขอนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงให้นอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายพักผ่อนเสร็จตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิมานั่งามาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมอะไรต่างๆนี่คือหน้าที่ของศีลแปด ศีลห้ามไม่ห้ามเนี่ยถ้าศีลห้าก็นอนคลอกนอนไปทั้งวันทั้งคืนเทีเ่ยวไปเที่ยวก็ได้ไปเทีเ่ยวไปกินไปเดิบกลับมาง่วงนอนก็นอนกับแฟนนอนกับแฟนก็ตื่นสายโดกไปเลยมาหาเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ได้ศีลห้านี้มีไว้เพียงแต่รักษาใจไม่ให้ไปเกิดในอบายไม่ให้ไปมีเรื่องมีราวไม่ให้ไปติดคุกติดตารางเท่านั้นเอง แต่ถ้าอยากจะไปปฏิบัติจริงๆนี่ต้องถือศีลแปดขึ้นไปสำหรับผู้เป็นคาราวานก็ต้องหัดทำอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนเช่นหกวันก็ไปหาเงินหาทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรตามติสายเดิมเพราะอยู่ดีๆจะให้เลิกมันเลิกไม่ได้นะแต่ให้หยุดชักวันหนึ่งมีวันหยุดหาความสุขจากการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ แล้วไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปถือศีลแปดไปเรียนวิธีนั่งสมาธิเรียนวิธีเจริญปัญญาว่าทำอย่างไรแล้วก็ค่อยหัดทำไปเหมือนเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคารวะเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กเพิ่มเริ่มต้นเวลาเข้าโรงเรียนก็ต้องไปเข้าชั้นอนุบาลก่อนอนุบาลเขาก็ไม่สอนอะไรมาก สอนให้นับหนึ่งสองสามได้ A B C กอไก่ขอไข่ได้ก็พอแล้วสอนเท่านี้ไปก่อนการว่าก็เหมือนกันอาทิตย์หนึ่งก็ไปหัดภาวนาไปหัดนั่งสมาธิไปหัดเจริญปัญญากันแล้วพอหัดไปเรื่อยๆต่อไปก็จะได้ผลก็จะสามารถที่จะขึ้นชั้นที่สองชั้นที่สามต่อไปได้ก็จะเพิ่มวัน เคยไปวัดอาทิตย์วันหนึ่งวันก็ จ, จะเปลี่ยนเป็นสองวันบ้างสามวันบ้างหรือช่วงไหนมีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดแทนที่จะไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองก็ไปอยู่วัดดีกว่าไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าทําอย่างนี้ไปต่อไปก็จะมีกําลังปฏิบัติได้มากขึ้นต่อไปก็อาจจะพร้อมที่จะไปบวชได้พอเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ ความสุขที่ได้รับจากการไปปฏิบัติธรรมกับการไปเที่ยวนี่มันต่างกันคนละโลกเนี่ยความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี่เหนือกว่าความสุขที่ได้รับจากความสุขจากการใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อข้าวของต่างๆเหมือนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวง พอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็จะได้ค้นพบความสุขที่ดีกว่าก็จะติดใจกับความสุขแบบใหม่ก็อยากจะเพิ่มปฏิบัติให้มากขึ้นอยากจะได้สัมผัสกับความสุขแบบใหม่นี้ให้มากขึ้นต่อไปก็จะไปอยู่วัดเนี่ยบางทีไปอยู่ที่เจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างบางทีเดือนนึงก็มี พออยู่อย่างนี้ไปสักพักนึงต่อไปก็บอกเอ๊ะเราก็บวชได้แนละ้วนี่ยวะก็ไปบวชเลยไม่ต้องกลับบ้านนะกลับไปมีแต่เรื่องวุ่นวายเนอะกลับไปเดี๋ยวเจอเมียเจอลูกก็ปวดหัวเจอเจอเจอใบเสร็จต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าภาษสงภาษสีอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเวลาไปบวชไม่มีเรื่องราวเหล่านี้มาให้ปวดหัว ด, ด้วยก็บวช ด, ดีกว่า ในที่สุดก็ได้ไปเป็นผู้ปฏิบัติมืออาี่ก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเลยคือปฏิบัติศีลกับภาวนาเพราะฐานนี้ไม่ต้องทำละเพราะเราไม่ได้ใช้เงินละเราไม่ไม่มีเงินจะใช้ละเงินที่เรามีเรายกให้ลูกให้เมียให้ใครไปให้หมดเพราะเราไม่ต้องการใช้ไม่ได้ไปบวชนี้ใช้เงินไม่ได้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเงินกับเป็นอุปสรรคถ้าเอาเงินไปเดี๋ยวก็จะติดนิสัยเดิมอกีกเดี๋ยวจะอาบไปเที่ยวอกีกอาไปเที่ยวแบบนักบวชเดี๋ยวก็ถูกเขาจับศึกอกีก <c oughs> <c oughs> นี่คือขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือที่จะมาถอดถอนความอยากสามตัวกามาตันหา ความอยากเสพกามภาวะตันหาความอยากจะเสพรูปประชานวิภาวะตันหาความอยากจะเสพอารูปประชานต้องถอนมันทีละตัวถอนจากกามากามะตันหาไปก่อนแล้วก็ไปถอนภาวะตันหาแล้วก็ไปถอนวิภาวะตันหาเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันมันต้องผ่านเป็นขั้นตอน เหมือนต้องสอบชั้นชั้นปฐมก่อนถึงจะขึ้นสู่ชั้นมัธยมได้สอบชั้นมัธยมถึงจะสอบชั้นอุดมศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยได้ั้นต้นก็ต้องเลิกเสพการให้ได้ก่อนพอเลิกเสพการได้ก็ไปเลิกเสพรูประชานพอเลิกเสพรูประชานได้ก็เลิกเสเปลาอบลูกประชานพอเลิกเสพบฌานทั้งสามได้ฌานทั้งสองแล้วก็เสบกามได้ ก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปก็จะไม่มีตัวที่เดียวดึงลูกฟุตบอลคือใจให้กลับเข้ามาในสนามฟุตบอลอีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปไปเกิดในไตพบไปเกิดในกางมาพบรูประพบหรืออารูประพบอีกต่อไป การเกิดในภพเหล่านี้ถึงแม้จะมีความสุขมันก็มีความทุกข์ตามมา ท, ทุกระดับเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เป็นเทวดาเดี๋ยวก็ต้องตกจากสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปอบายก็มีแต่ความทุกข์ไปเกิดในอบายก็มีแต่ความทุกข์ฉนั้นไม่ว่าจะเกิดในในภพไหนมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้น ดังนั้นการไม่มาเกิดเท่านั้นที่จะทําทให้ไม่มีความทุกข์จะได้ไม่ต้องถูกทีมนักฟุตบอลคอยเตะให้ช้ำลูกฟุตบอลทัดใจเป็นลูกฟุตบอลจริงๆนี่ถูกบุญกับบาปเตะบอนนี้มันช้าไปหมดแล้วโชคดีที่มันไม่ได้เป็นเหมือนลูกฟุตบอลบุญบาปเตะมากน้อยเท่าไหร่มันก็ยังมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามันทรมานเท่านั้นเวลาทําบาปมันก็ทรมานใจ เวลาทําบุญก็สุขใจพระพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนให้เราอมาสร้างเครื่องมือเพื่อมาละกามะตัญหาก่อนเงินทองที่เราใช้นี่ใช้เพื่อตอบสนองกามะตัญหาความอยากเสพกามอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากไปเที่ยวอยากอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเลิกมัน ถ้ามีเงินเหลือก็ให้คนอื่นไปทำบุญไปใช้แต่เฉพาะเท่าที่จำเป็นใช้กับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารอะไรให้กับร่างกายไปแล้วเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินไปหาเงินแล้วก็เอาเงินมาใช้ถ้าใช้เงินมันก็ต้องหาเงินถ้าหาเงินมันก็ไม่มีเวลาว่าง มันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมาถือศีลแปดได้แต่พอเราลดการใช้เงินลงลงเราก็จะหาเงินน้อยลงเวลาก็จะมีเหลือแต่นี่จะทํางานห้าวันอาจจะทําแค่สองวันก็พอถ้าจะทํางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆมันไม่ใช้เงินค่าใช้จ่ายสําหรับเลี้ยงดูร่างกายนี่มันไม่มากส่วนใหญ่มันหมดไปกับความอยากมากกว่า อยากจะได้ของแพงๆอยากจะได้ของหรูหราอยากจะได้ของใหม่ๆของพวกนี้แพงแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเราต้องเลิกเลิกใช้เงินตามความอยากแล้วเพื่อที่เราจะได้ลดการหาเงินหาทองลงลดเวลากับการหาเงินเราจะได้มีเวลาไปศึกษาไปหัดภาวนาไปหัดรักษาศิ่แปลก พอเราได้ได้รักษาสินแปได้ภาวนาเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถของการเสพกามเราก็จะไปบวชได้เลิกเสพกามได้ไปถือสินแปไปห้ามเลิกเลิกเสพกามในระดับสินไ ด, ได้ใจยังยังมีความอยากอยู่ความอยากเสพกามยังมีอยู่ต้องใช้สมาธิกับใช้ปัญญาถึงจะถอดถอนมันออกจาก ใจให้หายไปหมดได้การถือศีลมันก็ห้ามเพียงแต่ห้ามไว้กั้นไว้เป็นเหมือนรั้วรั้วกันไม่ให้หมาออกข้างนอกแต่หมามันก็ยังพยายามปีนรั้วอยู่เพราะมันยังอยากออกอยู่ถ้าอยากจะให้หมาไม่ไม่ออกจากออกไปข้างนอกต้องเอามันมัดมัดมันไว้กับผูกเชือกมัดมันไว้ผูกเชือกมันก็ยังดิ้นอยู่ยังต้องฉีดยาให้มันตายเท่านั้น พอฉีดยาให้มันตายทีนี้มันไม่ดิน้นละจิตเราก็เป็นเหมือนหมาเนี่ยรัวก็ศีลก็เป็นเหมือนรัว้วสมาธิก็เป็นเหมือนเชือกมันไม่ตายด้วยศีลมันไม่ได้ตายด้วยสมาธิมันต้องตายด้วยปัญญาคือยาฉีดปัญญาฉีดเข้าไปในลังในหมาปั๊บมันก็ตายช ปัญญาคือตัวฆ่าตัณหาอย่างแท้จริงปัญญาฉีดที่จะทําทให้ตัณหาตายความอยากตายปัญญาก็คือการเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากอยากได้นั่นเองอยากได้แฟนก็ต้องเห็นว่ามันทุกข์ได้มาแล้วมันถึงแม้จะสุขสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับแฟนทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะทะเลาะกันทุกข์เพราะ จากกันถ้าไม่มีแฟนก็ไม่มีทุกเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าคิดแบบนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้แล้วมันจถ้าเห็นทุกแล้วมันก็จะไม่เอาเพราะเห็นทุ ก, ก็เก็เห็นเหมือนกับป้ายที่ก็ติดไว้ในในขวดภาชนะที่ว่าระวังอันตรายยมีมีม มีคงมีกระโลกศีรษะกับคงมีกับกระดูกสองกระดูกสองอันไขว้ยอยู่นี่เขาบอกอันตรายระวังอพอเห็นปั๊บก็ไม่แตะและระวังยาพิษ่เขาจะเขียนไว้นี่แหละคือการเห็นตายักให้เห็นป้ายที่ติดมากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ถึงแม้ว่ามันจะมีความสุข มีป้ายติดว่าสุขอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราดึงป้ายที่ที่ว่าสุขออกแลก็ถึงจะเห็นป้ายป้ายที่แท้จริงว่ามันเป็นทุกข์แต่คนไม่ฉลาดจะไม่ชอบดึงป้ายออกจะคิดว่าป้ายที่เขาเขียนมานี่เป็นป้ายจริงแต่จริงมันเป็นป้ายหลอกมันหลอกให้เราซื้อของแต่ถ้าเราแกะป้ายออกถึงจะรู้ว่าโอย๊ยนี่มันเป็นยาพิษเนี่ยว่ะแต่สายไปแล้วกินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นพิษนะ พอได้อะไรมาแล้วถึงจะรู้ทีหลังว่าลูกนี้ไม่เอาดีกว่าลูกนี้อยู่คนเดียวดีกว่า <c oughs> แต่พอมันเวลาอยากได้มันมองไม่เห็นป้ายมันเห็นแต่ป้ายที่บอกว่าดีอย่างเดียวันเราเนี่ยถึงต้องมาต้องมาเรียนรู้ดูวิธีให้ดูดูป้ายให้ดูอย่างไรของทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันเปลี่ยนมันไม่เป็นเหมือนเดิม เวลาใหม่มันดีใช่ไหมพอใช้ไปใช้ไปพอมันเก่าขึ้นเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรถเวลาซื้อใหม่ๆหม่ใหม่ก็ดีขับรับใช้ดาได้ตลอดเวลาเดี๋ยวต่อไปเริ่มสตาร์ทไม่ติดละแล้วเยวยางรั่วและมีปัญหานู่นปัญหานี่ตามมาแล้วนี่คือสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรามันไม่เที่ยงมันมีการเจริญมีการเสื่อมเนี่ย มันมีการดับเวลามันเสื่อมมันดับเนื้อมันทําให้เราทุกข์กันงั้นอย่าไปมีมันดีกว่าทุกแบบไม่มีดีกว่าทุกแบบมีายทุกแบบไม่มีนี้มันก็เพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองพอเราทําใจได้ไม่มีก็อยู่กับไม่มีไปมันก็หายทุกข์ละแต่พอไปทุกข์กับสิ่งที่มีมันต้องมีอยู่เรื่อยๆ พราะอันนี้มันทําให้ทุกข์ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอันใหม่เดี๋ยวมันก็ทําให้เราทุกข์อีกเหมือนเดิมทุกกันมันเหมือนกันเห็นไหมคนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันเปลี่ยนกันกี่ลายมันก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆเห็นไหมดาราฮอลลีวูดเนี่ยแต่งงานกันหย่ากันไม่รู้กี่ครั้งมันก็เหมือนกันเพราะมันไม่เห็นป้ายที่ติดว่ามันเป็นทุกข์เห็นแต่ป้ายที่ติดว่าเป็นสุขบังไว้มันเลยมองไม่เห็นป้ายที่เขียนว่าเป็นทุกข์ ป้ายที่เป็นทุกมันจะเขียนตัวเล็กๆสังเกตดูสินค้าเดียวกันก็จะเขียนป้ายระวังซื้อยานี้ก็ยังเขียนบอกว่าถ้าตั้งครนภหรือเป็นอะไรห้ามใช้ยานี้แต่จะเขียนตัวเล็กๆแต่ป้ายที่ดีมันจะเขียนตัวใหญ่เบล่อมเลยมิเตร์มินอย่างงู้นอย่างนี้แต่อที่เขียนว่าอันตรายนี่เขียนตัวเล็กๆทำให้เรามองไม่เห็นกัน นี่คือเราต้องพยายามมองป้ายที่บอกว่าไตลักษ์เห็นอะไรทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตลักษ์แล้วจะได้ไม่อยากได้เลิกอยากนี่คือวิธีกําจัดความทุกข์ในการมาพบรูปพบหรืออารูปพบความอยากไปเกิดในการมาพบก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกการไปเกิดในรูปพบหรืออารูปพบก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันได้แล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมมันต้องหมด นะพอเห็นตายพบเห็นตายรักแล้วทีนี้ก็เลิกความอยากทั้งสามได้พอเลิกความอยากทั้งสามได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องเอาลูกฟุตบอลมาลงไว้กลางสนามให้เขาเตะอีกต่อไปบุญกับบาปก็ไม่สามารถมาต่างเตะใจได้เพราะใจไม่ได้อยู่ในสนามแล้วใจไม่ได้อยู่ในตายพบแล้วใจไปอยู่ใน ในในร้านค้าล้ร้านเลือกไปอยู่ในตู้โชว์แล้วเห็นมนุลูกฟุตบอลที่เขาชนะเขาชิงแชมได้เขาไม่ไปเตะแล้วใช่ไหม <S <S เขาไปติดไว้ในตู้โชว์ไม่มีใครไปแตะได้นะใจของพวกเราถ้าเราใช้ศีลสมาธิปัญญาหรือใช้ทางศีลภาวนาเราก็จะสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากใต้ยพได้ เมื่อใจออกจากตายพบแล้วใจก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปใจก็ไปอยู่ในตู้ตู้นี้เขาเขียนไปวันนิ้ผ่านเนี่ยเนี่ยนียนย่คือใจที่ได้ถอดถอนตัวที่คอยดึงใจให้กลับเข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามนี้ถอนด้วยค่ะ ถ อ, ถอนด้วยการปฏิบัติทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญานี่นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราอาจจะไม่รู้มาก่อนวันนี้ก็รู้แล้วก็ถ้าอยากจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องไปปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วก็เลื่อนเป็นศีลสมาธิปัญญาตามลําดับต่อไปแล้วเราก็จะสิ้นทุกข์ เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเราจะไปอยู่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยากาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะยโตทินนางเปตานังอ ah e ุปปักปติ อิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสะเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิตโยวิวัชจานตุสัพพารโควินาสตุ มาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีคายุโกผวะพิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมมวทานติอายุวนโนสุขังภาลัช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตยุติจะได้มีเวลาพักผ่อนใครอยากจะถามอะไรถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยสี่สิบเก้าสามร้อยแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอดผู้รับฟังบนเขาแปดสิบสี่ รวม762ท่านค่ะใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้น You have question Okay เป็นชาวฝรั่งเศสปีหนึ่งมาสองครั้งมาก็ครั้งนึงก็มาหกวันเจ็ดวันมาฟังเทศทุกวันเสร็จแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับชาวฝรั่งเศสใครอยากจะถามเป็นภาษาไทยก็ถามได้นะ คนไทยที่อายนะอมทางบ้านก็ได้มีทางบ้านไหมทางเด็กของใม่หรือ่าอย่าพวดหลังไม่หรอกต้องถามนะอย่ามาเทศให้ฟังนะไม่ฟังนะโยไม่ต้องมาเล่าเรื่องของโยนะถ้ามีคําถามถามได้อยู่แต่ ถ้ามาเล่าเรื่องของโยมนี่มันไม่มีเวลาฟังนะนะคะไอ้ยัง <c oughs> ไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพขาะมีคนรอเอาให้สองนาที <c oughs> อราจะเล่ า, <c oughs> ะลาอะไรกัเราค่ะพระอาจ <c oughs> ารย์ลูกกัใช้สัมมาหังมาห้าสิบปีแล้วแล้วก็โดยการกรรมฐานในจิตเนี่ยแต่วันนี้นะขึ้นมาแล้วลูกกรรมฐานเนี่ยงูนอนตัวเลื่อเลยย่า่ใหญ่เลยค่ะท่านว่า ท่านเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่ท่านได้มาถือศีลเข้าพรรษาครบสามเดือนขอให้เป็นตัวแทนบอกท่านว่าท่านจะกลับลาแล้วค่ะตอนเนี้ยหัวของเข า, าอยู่ที่ตักหลงพ่อเพื่อรอยัดานะคะ <Okay. S 2> คือสื่อได้แค่นี้นะคะโอเคได้สาธุสาธุสาธุ ตัวดำเหมือนลินเลยนะค ะ, ะดีขออย่ากัดเราก็แล้วกันเนตัวใจสาธุนะขออนุทนา <c oughs> เป็นสื่อเป็นเป็นบุรุษไปสนิท <c oughs> ตอบแถามได้คำถามจากคุณสุภาพนพพ่อแม่โกงลูกทำลายอนาคตลูกบาปไหมครับ ถ้าการแกล้งเบียดเบียนก็ถือว่าบาปยู่ไม่ยังถ้าไม่บาปก็ถือว่าไม่เมตตาใจเจิดใจดําใจร้ายาก็เป็นเรื่องของนิสัยของคนไงบางทีถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อแม่ลูกกันแต่ใจของพ่อพ่อแม่อาจจะใจร้ายกัดก็ไม่ได้คิดว่าลูกเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องสงเคละหรืออนุเคราะห์ ก็จะทําไปตามอารมณ์ซึ่งก็คล้ายกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ไม่รู้จักพ่อลูกกันหรอกพอมันโตกันมันก็แยกทางกันไปต่างฝ่ายก็ต้องดิ้นรนหากินกันเองบางทีก็กัดกันก็มีพ่อกับลูกะพ่อแม่กับลูกกัดกันอันนี้แสดงว่าจิตมันเข้าสู่ระดับของสัตว์เดรัจฉานน่ะ หรือว่เพิ่งกลับมาจากเป็นสัตว์เดรัจฉานยังติดนิสัยแถมติดตัวมาอยู่คำถามฝากถามนะคะคนที่เขากำพร้าพ่อและแม่มาแต่เด็กเวลาคนคนนั้นไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาจบแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พ่อและแม่เอ่ยนามชื่อของท่านทั้ง เอ่ยนามชื่อของท่านทั้งสองตลอดมาเกือบสิบกว่าปีแล้วคนคนนั้นไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณอะไรท่านทั้งสองได้เลยนอกจากการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เท่านั้นถือว่าคนคนนั้นได้กระตันยูต่อคุณบิดามารดาแล้วใช่ไหมครับยังหรอกเพราะว่าหนึ่งบุญก็ไม่มีจะไปแผ่สองผู้รับก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนีย่ยยน มันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เราจะต้องไปกังวลการตอบแทนบุญคนนี้ตอบแทนในฐานะตอนที่เราทําได้ตอนที่เราอยู่ร่วมกันหรือสามารถติดต่อกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันแต่สามารถช่วยเหลือกันได้ส่งข้าวของเงินทองไปช่วยเหลือกันได้ก็ส่งไปแต่ถ้าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบุญนี้เราส่งไปให้คนเป็นไม่ได้ สังบุญเรายังไม่มีนะบุญไม่ได้เกิดจากการไหว้พระไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิเพราะยังไม่ได้ผลผลถ้าอยากจะแผ่บุญอุทิศบุญผลที่ได้ทันทีก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานเนี่ยพอเราทำทานใส่บาทเสร็จนี้บุญเกิดขึ้นแล้วแต่เวลามานั่งสมาธินี้ถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่เกิดผลขึ้นมาเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้มากกว่า การที่เรานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้รอให้ผลมันเกิดแต่มันยังไม่เกิดเนืถ้าเกิดก้ก็ก็อุทิศได้แต่มันนะมันยากกว่าการถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้ผู้ตายมีเงินไปซื้อของแล้วก็ไปทําทานอย่างใดอย่างหนึ่งกับใครก็ได้เกิดบุญขึ้นนะบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจ ที่เราสามารถแบ่งไปได้เวลาเราสวดมนต์เราได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับการทําบุญหรือเปล่าบางทีไม่ได้บางทีเกิดจะเกิดแต่ความต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับใจนึงก็อยากจะสวดใจนึงก็อยากจะคิดถึงคนนั้นคนนี้อยากจะเลิกมันเราจะเอาอะไรไปไปส่งให้เขาใจต้องสงบเย็นมีความสุขเข้าระดับฌานได้แตร่ระดับนั้นเขาก็ไม่นิยมมาม า, มาอุทิศกัน เพราะว่ากยากจะอุทิศบุญนี่พระพุทธเจ้าสอนให้อุทิศด้วยการทำทางเนี่ยเราก็เริ่มแผ่เมตตาก็แผ่ไม่ได้แผ่เมตตาต้องเจอกันถึงจะแผ่ได้มานั่งสวดนี่เป็นการสวดบทแผ่เมตตาไม่ใช่การเป็นพาเป็นการแผ่เมตตาจะแผ่เมตตาต้องเจอกันเจอกันต้องยิ้มให้กันไม่ใช่หน้าเบึ้งใส่กัน เวลาอยู่คนเดียวสวดแผ่เมตตาให้เขาพอเจอหน้ากันเบื่อเฉยอย่างนี้ไม่ได้แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันอยู่ในเหตุการณ์แผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเนีย่ยคนไทยเราเข้าใจผิดเนี่ยคิดว่าโอ๊ยแผ่เมตตาครอบจักรวาลเลย แผ่ให้สัพพสัตเลยไม่ใช่ความหมายของสัพพสัตก็คือให้เรามีความเมตตากับสัพพสัตเวลาที่เราเจอสัพพสัตเหล่านั้นไม่ใช่เวลาเรานั่งแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแผ่วไปตายภเลยไม่มีอะไรจะแผ่ด้วยเมตตาก็ไม่มีพอเจอใครก็บึง่งตึงใครเขาทำอะไรให้เราก็โกรธอย่างนี้มันจะเอาเมตตาไปไปแผ่ได้ยังไง ต้องไม่โกรธเขาเวลาเขาทำร้ายเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุสาธุไปถึงนี้เรียกว่าแผ่เมตตาคำถามจากคุณจินขอบขอโอกาสครับเห็นสุภะเป็นเหมือนแสงสว่างแล้วการมาราคะเริ่มน้อยลงคลายลดอาหารจืดลงเป็นเพียงอาหารของใจหลอกไหมครับมีประโยชน์ไหมครับขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำครับ เห็นสุภาษเป็นแสงสว่างข้าเขียนมาว่าสุภาษค่ะแล้วทาให้ลดการอารมณ์ได้คก็เพิ่งได้ฟังวันเนี้ยมีแต่เห็นอสุภาษถึงจะลดการอารมณ์ได้เห็นสุภาษมันก็ยิ่งทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาฉะนั้นข้อความอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าถ้าเห็นัสุภาษอสุภาษก็ไม่ใช่แสงสว่างอสุภาษต้องเป็นภาพที่น่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าดูไม่น่าชมของร่างกาย ถึงจะละกามาลมได้ยังคิดว่าคงจะไม่ใช่ทางที่ถูกคำถามจากคุณซาสุเกะพระอาจารย์ขอรับเราจะสำรวจภูมิจิตภูมิธรรมในปัจจุบันที่เราทำอย่างไรขอรับหรือว่าสกิตแล้วโศกเนื้อทุกข์เนี่ย วันหนึ่งสุกกี่ยชั่วโมงทุกเกกี่ชั่วโมงนะครคือตัววัดภูมิจิตของเราหรือว่าดูว่าปล่อยวางได้มากได้น้อยเออถ้ายึดมากก็ภูมิจิตต่ําถ้าปล่อยได้มากก็ภูมิจิตสูงเอ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีคนเอาลูกหมามาปล่อยในสวนของแม่เจ็ดปดตัวแล้วแม่ของกระผมสืบได้ว่าใครเอามาปล่อยก็เลยฝากบอกให้เขามาเอากลับไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการใจดำกับสัตว์มากใช่ไหมครับก็ไม่มีความเมตตาไม่มีความการุณาไม่อยากจะรับเป็นภาระ ก็เป็นทั้งสองคนนะ พ, พวกที่มาปล่อยเข้าใจดาพวกที่ถูกรับปล่อยเข้าใจดาอย่างนี้ต้องไปโพธิ์ในหน้าของคนที่รักสัตว์เดี๋ยวเขาก็จะมีคนมารับไปเลี้ยงเองคําถามจากผู้ฝากถามมีผู้สงสัยว่ากรถินคือเรื่องของผ้าแต่หลายๆวัดเชิญชวนทอดกรถิน่นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างถาวรวัตถุเช่นนี้จะเป็นวิหารทานแทนหรือไม่เป็นกรถิ่นสมบูรณ์หรือไม่ คือเรื่องของกรถินนี่มันก็เป็นเรื่องของผ้าแต่ ย, ยุคสมัยที่มีกรถินใหม่ๆ ม, มันไม่มีไม่มีทาววลวัตถุผ้าเป็นพ้าทุดงเป็นผ้าป่าอยู่ตามป่าไม่มีทาวรลวัตถุเช่นโบสถ์เจดีกุฏิแต่สมัยนี้วัดได้พัฒนาไปทางวัตถุมาก เลยมีพวกถาวารวัตถุต่างๆที่จะต้องซ่อมบำรุงดูแลรักษาเขาก็เลยมาผูกไว้กับกรถินปีหนึ่งจะทําบุญใหญ่ทันทีก็เลยเอามาผูกไว้กับกรถินแล้วก็รับเงินนับทองมาบริจาคเงินทองเพื่อที่จะมาสร้างวิหารถาวารวัตถุต่างๆอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นเป็นบุญสองอย่างพร้อมกันก็ได้คือบุญถวายผ้าแล้วก็บุญถวายถาวารวัตถุ เช่นวิหารธรรมก็ไม่ต่างกันก็เป็นบุญแบบเดียวกันเป็นบุญระดับทานเหมือนกันได้บุญเท่ากันถ้าใช้จํานวนเงินให้กับผ้ากรถินกับให้เงินกับวิหารก็ถ้าสมมติถวายอย่างละแสนนี้มันก็ได้ได้บุญเท่ากันคําถามจากคุณเจือขอกลับเรียนถามการวางจิตตนเองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ ก็วางใจอุเบกขาคือก็เฉยๆรับรู้ไปทำไรายได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้าใจไม่ยอมเฉยก็ต้องใช้พุทโธดึงมันให้มาเฉยต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจไม่ไปคิดถึงคนไข้มันก็วางเฉยได้ คำถามจากคุณนายนามีสามีเป็นชาวต่างชาติสามีนับถือศาสนาพุทธเวลาไปทำบุญบางครั้งสามีก็ร่วมทำบุญด้วยถ้าโยมทำอาหารรงทานสามีก็รู้และขับรถพาไปสามีจะได้บุญด้วยไหมและเขาก็ไม่เคยขัดเรื่องทำบุญค่ะย็คืออยู่ว่าเงินทำบุญเป็นของใครนะถ้าเป็นของทั้งสองคนก็ได้บุญเท่ากันถ้าเป็นของเราคนเดียวก็เป็นบุญของเราคนเดียว เขาได้บุญก็ได้บุญจากการไปอนุโมทนาหรือขับรถไปส่งเราซึ่งเป็นคุณบุญคนละอย่างกันแต่ถ้าเป็นเงินของเขาด้วยแล้วเขายินดีกับการทำบุญของเราเขาก็ได้บุญเท่ากันคะคำถามจากคุณสิวพรการนั่งสมาธิ ทำอย่างไรให้เรามีสมาธิคะต้องมีสติก่อนไงต้องฝึกสติต้องหมั่นท่องพุโทโธพุโทโธยุดคอยควบคุมความคิดที่ไม่จําเป็นกําจัดความคิดที่ไม่จําเป็นโดยใช้การใช้พุโทโธพุโทโธพอจะคิดด่าคนนั้นด่าคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปพอคิดอยากจะได้นู่นได้นี่ก็พุโทโธไปให้คิดแต่เรื่องที่จําเป็นต้องคิดเช่นกําลังต้องไปทํางานไปทําอะไรอย่างนี้คิดได้ แต่เรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดกําจัดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธทําใจให้ว่างก่อนให้ว่างจากความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะว่างได้แล้วพอเวลามานั่งสมาธิเราก็พุโทโธต่อแล้วดูลมต่อแล้วเดี๋ยวใจก็จะว่างจากความคิดทั้งหมดใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้คําถามจากคุณสิริปรยาขอพระอาจารย์ช่วยสอนวิปัสสนาหน่อยเจ้าคะ่ะ วิปัสสนาก็คือปัญญาปัญญาก็คือการรู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนเป็นไตารักทั้งนั้นคือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการมามีการไปมีการเกิดมีการดับเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันเวลาที่มันจากเราไป เป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ให้มองอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามีปัญญาเพื่อปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกเวลาสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบจากเราไปพอเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอย่าจะอย่าไปยึดติดกับมันพร้อมที่จะให้มันไป ถ้ามันอยู่ก็พร้อมก็ปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันจะไปหรือเราจะไปก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่มีความกังวลเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาแต่จะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งบางทีรู้แต่ก็ปล่อยไม่ได้รู้ยังไงก็ยังรักยังหวงอยู่อันนี้ก็ต้องใช้สมาธิมาตัวเป็นตัวดึงออก เพราะว่าใจไม่มีกำลังที่จะปล่อยต้องใช้อาศัยสมาธิมาช่วยแยกออกจากกันต้องพุโทโธพุโทโธนั่งทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็ปล่อยทันที คำถามจากคุณในเดอะพิงค์ถ้าเราทําให้ถูกใจพ่อแม่และพ่อแม่สาบแช่งลูกจะเป็นไปตามที่พ่อแม่สาบแช่งหรือเปล่าคะไม่หรอกเป็นไปตามที่เราทำเนี่ยถ้าเราทําบาปมันกม็มีใครมาชมมันก็ยังมันก็ยังด้อรับผลบาปเยอะถ้าเราทําบุญแล้วมีใครมาสาบแช่งเราก็ยังรับผลบุญของเราอยู่ไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนอื่นอย่างนีน้คนเราก็ไม่ต้องทําอะไรมานั่งด่ากันสาบแช่งกันเลย ก็ไม่ต้องมานั่งทำบุญทำบาปไันเสียเวลาใช่ไมไม่เกี่ยวกันเหมือนกองเชียร์เชียร์ไงถ้าทีมันสู้ไม่ไหวก็สู้ไม่ไหวนั่นแหละคำถามจากคุณปียนานการทำบุญกะถินสามารถดุทิศให้ผู้ล่วงลับไปได้แล้วหรือเปล่าครับได้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งไงเหมือนกับใส่บาตรเหมือนกับถวายผ้าจีวรเหมือนกับสร้างกุฏิทาอะไรต่าง เปนการบริจาคทรัพย์นี่ก็เป็นทานแม้แต่บริจาคให้กับผู้อื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้ให้กับสถานที่เลี้ยงสัตว์ก็ได้ถ้าเราสงสารสัตว์อยากจะสนับสนุนสัตว์ให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ไปบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ที่เขาเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรืออยากจะปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ถ่ยวัวไทยควายก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นทานทั้งนั้นได้บุญเหมือนกัน ปริมาณของบุญก็อยู่ที่ปริมาณของกระเป๋าที่เราจ่ายไปของเงินที่เราจ่ายไปคำถามจากคุณพีพีธนพงศ์ขอวิธีเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะใจตนอย่างเด็ดขาดด้วยครับก็ความขยันไงความขยันเท่า น, นั้นชนะความขี้เกียจได้ต้องทำํำพอถึงเวลาต้องทํามันต้องทําอย่าไปอ้า ง, งนู่นอ้างนี่ หิวบ้างเหนื่อยบ้างร้อนเปิ์ร้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างถ้าเอาเข้อห้างเหล่านี้ก็แพ้ความขี้เกียจหมดต้องเอาความขยันถึงเวลาทำจะไม่ทำก็ตอนที่ไม่มีลมหายใจหรือร่างกายมันทำไม่ได้เท่านั้นคำถามจากคุณชาโนนระหว่างนั่งสมาธิผมรู้สึกถึงท้องพองยุบ ตอนหายใจเข้าแต่ตอนหายใจออกผมรู้สึกถึงลมหายใจคือจะรู้สึกท้องพองยุบกับลมหายใจคละเคล้ากันไปผมควรเจริญสตอิอย่างไรดีครับก็ให้รู้เฉยๆรู้ลมว่าเข้ารู้ลมว่าออกก็พอทั้งมันจะยุบหรือไม่ยุบก็ไม่จไม่จาเป็นจะต้องรู้ก็ได้ให้รู้ตอนนี้กำลังหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก็พอหมดแล้วเหโอเคไม่ีใครอยากจะถามอีกไหม